ยะสะกุลบุตรสำเร็จพระอารหาัตผลข้อ2ีดขณะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโปรดบิดาของยัสะกุลบุตรอยู่จิตของยะสะกุลบุตรผู้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดาริดังนี้ว่าเมื่อเราแสดงธรรมแก่บิดาของยัสะกุลบุตรอยู่ จิตของยะสะกุลบุตรผู้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นยะสะกุลบุตรไม่ควรจะกลับไปเป็นฆฤหัตบริโภคกามเหมือนเป็นคฤหัตครั้งก่อนถ้ากระไรเราพึงคลายอิทธาภิสังขารทรงคลายอิทธาภิสังขารแล้วเศรษฐีข้าบดีได้เห็นยะสะกุลบุตรนั่งอยู่ ท่านเห็นแล้วจึงกล่าวกับย ะ, ะกุลบุตรว่าพ่อยะสะมารดาของเจ้าโศกเศร้าคร่ำควรวญถึงเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาเถิดย ะ, ะกุลบุตรได้เงยหน้าดูพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเศรษฐีข้าบดีดังนี้ว่าข้าบดีท่านจะเข้าใจข้อนั้นอย่างไรย ะ, ะกุลบุตรได้เห็นได้รู้ธรรมด้วยญาณอันเป็นเสขะ ด้วยทัศนะอันเป็นเสขาเหมือนท่านเมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้อยู่จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นข้าหาบดีญาสะกุลบุตรควรหรือที่จะกลับไปเป็นครือัตบริโภคกามเหมือนเป็นเครือัดครั้งก่อนเศรษฐีข้าบดีกลาบทูลว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัส รับรองว่าข้าบาบดียะสากุรบุตรได้เห็นได้รู้ธรรมด้วยญาณอันเป็นเสขะด้วยทัศนะอันเป็นเสขะเหมือนท่านเมื่อเขาพิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้อยู่จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นขหาบดียะสะกุรบุตรไม่ควรจะกลับไปเป็นเครหัดบริโภคการมเหมือนเป็นครหัดครั้งก่อนเศรษฐีข้าบดีกล่าบทูลว่า พระองค์ผู้เจริญการที่จิตของยะสากุลบุตรหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเป็นลาบของยสะกุลบุตรยะสากุลบุตรได้ดีแล้วพระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคมียสะกุลบุตรเป็นปัจชาสมณะโปรดทรงรับพัตาหารของข้าพระองค์เพื่อเจริญกุศลในวันนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษเนีภาคเศรษฐีค้าบดี ทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาสกระทําประทักษิณกลับไปเมื่อเศรษฐีข้าบดีกลับไปแล้วไม่นานยศะะกุลบุตรได้กลาบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปว่า ทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรรมจรรันเถิดพระวาจานั้นแหลได้เป็นการอุปสมบทของท่านยสะนั้นครั้งนั้นมีพระอาหารหันในโลกเจรูป